ไปฟังฟางตั้งใจตั้งใจทำวมใจของตนให้ดีมีสติสมัมปชันญะและลึกถึงใจตัวเองอยู่เสมอเสมออย่าไปดูอย่างอื่นให้มากกว่าดูใจตัวเอง เราพยายามจะถอนตนให้พ้นจากทุกภัยในสงสารการปฏิบัติธรรมในมุง่งหมายความมุ่งหมายมีอย่างนั้นฉะนั้นถ้าไม่ดูใจตัวเองอยู่เสมอแล้วมันก็ลืมตัวมันหลงตัวเอง เมื่อมันหลงตัวเองแล้วมันก็สงบไม่ได้อนี้เองนั้นนี่จะถูกความอยากครอบงำเข้าแล้วก็คิดปุงแต่งไปทั่วอยากได้อะไรต่ออะไรสรรพัดมันปุงแต่งขึ้นมาถ้าว่าบุคคลมามีสติเพ่งดู ความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอแล้วก็รู้เท่าความคิดความนึกของตัวเองเมื่อมีสติประคองความรู้สึกอันนี้อยู่ถึงแม้มันจะเผลอคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าทันรู้เท่าว่าความคิดก็แต่ว่าความคิด มันไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรมันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปถือมั่นเอาทำความรู้เท่าตามเป็นจริงคือว่ารู้เท่าว่า ความคิดนี่ไม่มีแกนสารอะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปหวนไว้ไปตามความคิดคําว่ารู้เท่านะนะคำ ว, ว่าอย่างนั้นคือมันทําเป็นธรรมดามันอย่างนั้นบรรดาเมื่อมีดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้แล้ว มันก็ต้องประกอบไปด้วยขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขานนั่นแหละคือสภาพปรุงแต่งจิตไห้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างแต่ที่ผู้ปฏิบัติทำแล้วก็ พ, พยายาม สกัดกัน้นความคิดที่เป็นบาปอคุณนไม่ให้เกิดขึ้นนี่สำคัญอาความคิดอะไรมาพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่เป็นบาปกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เพียงแต่รู้เท่ามันคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไป รือมั่นมันและก็ห้ามความคิดที่เป็นอกุศลพอมันคิดแล้วว่าจะโกรธใครสักคนหนึ่งอย่างนี้นะนั่นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเราก็รีบห้ามทันทีเลยอย่างนี้แหละเราจึงว่าเราดูใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้ไอ้ใจนี่มันคิด ดีคิดช่วยยังไงขึ้นมามันก็รู้เนี่ยพอมันคิดชั่วขึ้นมามันก็ห้ามทันทีธรรมดาผู้ที่ดูจิตใจตัวเองอยู่เสมอนะ่ะถ้าผู้ใดปล่อยใจของตนให้เพลินให้เมาไปในอารมณ์ต่างๆไม่สากดจิตนี่ให้สงบระงรับลงไปอย่างนี้นะมันก็ คิดไปทางอากุศลก็ได้เพราะจิตที่มันมีสติคุ้มครองแล้วมันจะคิดตีไปฝ่ายเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันก็เฉไปทางชั่วอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้หวังที่จะละบาปบำเพ็ญบุญให้จเจริญงอก งามขึ้นในตนนยจึงคอยระวังสกัดกั้นบาปอากุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของตนเห็นความโลภอย่างนี้อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไหร่ก็ยนินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละเห็นความโกรธอย่นี้ก็ละมัดระวัง อย่าให้มันโกรธใครต่อใครอย่าให้มันแสดงความไม่พอใจกับใครต่อใครที่แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่ออย่างนี้นะอันนั้นก็ความไม่ดีของเขาก็ดยกให้เป็นของเขาไปซะไอเราจะไปแสดงออกซึ่งความชั่วยอย่างนั้นแล้วเราก็ดีเท่านั้นเอง ให้เขาแสดงออกซึ่งความชั่วของเขาเขาก็ชั่วเองเมื่อเราไม่แสดงออกเราก็ไม่ได้ชั่วตามเขาก็ต้องให้คิดต้องให้รู้อย่างนี้คนเราส่วนมากมัาไม่เคยคิดอย่างว่านี่นะเขาก็ทำไม่ดีต่อตอนตนก็คิดตอบเขาทันทีอย่างนี้นะมันฉันชาทของกิเลส มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นกครำรเว็นเวนขูกพันกันไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นบุคคลผู้เบื่อกคำเบื่อเวนแล้วจึงต้องระวังจิตให้อภัยแก่ผู้แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่อตนเรื่อยไปจะเป็นกี่ครั้งก็าตามเราก็ให้อภัยมันทุกขังไป ระวังใจตรงนี้อย่าให้มันฉุนเฉียวขึ้นมาการปฏิบัตนะิต้องเป็นอย่างนี้ต้องลองมื อ, อมรักษาจิตตรงนี้เรื่อยอไป ม, มีสติคอยระวังจิตอย่าให้มันเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆ น, นานา ถ้าหากว่าเราไม่ได้ระวังไม่ได้พิดาจรณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็หลงเห็นผิดไปได้เหมือนกันทางที่ให้เกิดความหลงเห็นผิดมันมีอยู่เยอะแยะ mm hmm. กุก๊กิเลสนี่แหละมันปั่นจิตใจเป็นราคะเมื่อมันปั่นจิตใจขึ้นมารุนแรง ระงับมันไม่ได้ก็เลยเห็นว่าการบวชนี่ทุกข์เหลือเกินนะไม่มีความสุขเลยใจเดือดร้อนอยู่ด้วยขีเลหราคะตัณหาไม่สราบว<ๆ>่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปได้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นนี่ว่ามันเห็นผิดไปแล้วมันหลงไปแล้ว ถ้าไม่มีกิเลสนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงออกวดก็ทรงาพากเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะของพระ อ, องค์นั่นแหละให้หมดไปสิ้นไปจากพระภัยของพระ อ, องค์มเมื่อพระ อ, องค์ละได้แล้วด้วยอุบายอันใดพระ อ, องค์ก็นําอุบายอันนั้นมาสอนผู้อื่น ผู้ใดเห็นโทษของกิเลสขอบเพียนพยายามปฏิบัติตามที่พระองค์เนะนำสั่งสอนนั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเบือกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็จะไปท้อใจเดือดร้อนใจพุ่งสร้างรำคาญไปเดียวไม่คิดกำจัดกิเลสเหล่านั้นเลยอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคนหลง ไม่รู้จากคนทางออกจากทุกข์อันเราอยู่เฉยๆจะให้กิเลสมันมันดับไปเองอไม่มีทางหรอกเ<ฮ>มื่อรู้ว่าตนเผลอหรือว่ายังมีกิเลสอยู่เมื่อเผลอตัวใวดวมันก็โผล่หน้าขึ้นมาปรากฏอย่างนี้ก็เมื่อมันปรากฏขึ้นมาเราก็เพียนคำจัดมัน้ิวะ น, นี้ทำใจเข้มแข็ง พระศาสราสอนยังไงวิธีกําจัดราคะตัณหาเนี่ยเราได้ฟังได้ยินมาอย่างไร<ม>ก็นึกถึงกรรมฐานอันนั้นมาเป็นอารมณ์แพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏแจมแจ้งขึ้นในใจธรรมดาราคะนี่หมายถึงข้อกำลัดยินดีในของสวยของงาม หรืมันมันหลงผิดส้องกาว่ามันสวยมันงามที่แท้เราของสิ่งที่มันรักกันไม่ใช่สวยงามอะไรดอกแต่มันหลงเข้าใจผิดต่างหาดังนั้นวิธีแก้จิงว่ามันหลงเข้าใจผิดคิดว่าสวยว่างามอารูปนี่มันสวยงามยังไงบ้างอเพ่งดูให้มันถึงความจริงสักถ้ามันสวยจริงเราก็จะรักมันต่อไป ถ้ามันมุย่ยไม่สวยจริงก็ต้องระกันต้องคลายกันเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็เห็นตแต่แต่สุภอสุภังของตัวกระบกทั้งนั้นรนางกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างเดียวที่มันพอดูได้อยู่ก็มีแต่หนังนี่แหละหุ้มอยู่เฉยๆถ้าไม่หนังไม่หุ้มอยู่นี่มันดูก็ไม่ได้หรอก น, นี่ แต่คนเรามันไม่ได้พิจารณาเลยหนังเข้าไปซี่มันติดอยู่แต่แค่ผิวนอกเนี่ยเหตุแล้วมันจึงหลงรักหลงใครหลงยินดีกันอย่างรุนแรงจนว่าถอนตัวไม่ออกเลยถ้าเป็นคระืงหัดก็ความรักก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่รูปเดียววันนี้จะเห็นรูปอื่นสวยงามรักรูปอื่นไปอีก ให้ทอมเฉยรูปอื่นเข้าไว้อีกให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาวุ่นวายกันถ้าเอาระงับไม่ได้ก็อย่าร่างกันไปในระหว่างผัวและเมียแต่พอราคะตัวเดียวนี่นะมันเป็นมูลเหตุเนี่ยมันไม่ระงับมันไม่ไม่บรรเทาให้มันเบาวางลงเองน้นมันจึงเกิดเรื่องยุ่งขึ้นมา พู้นั้นการการคลองเรือนก็ไม่เป็นไปไม่เป็นมงคลเลยแตกสามกคคีกันไปคนละทิศทางตั้งตัวไม่ผิดกพราคะปัญหานี่แหละเป็นมูลเหตุบางรายก็ฆ่ากันตายเสียอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรไปฆ่ากันตายเพราะความรักความใกล้ความหมึงหวง นี่ผู้ปฏิบัติธนะรรมเนี่ยต้องพิจารณาดูโทษแห่งความรักความใคร่อันนี้นะมันมีมากมายก่ายของเอาจริงๆมันอาศัยความใคร่ในทั้งนั้นแหละอันบุคคลแสดงอาการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ใช่ความใคร่แต่เรื่องผัวเรื่องเมียอย่างเดียวหรอกเรื่องสนุกสนานในโลกมรรตก็งั้น สางๆวันนี้เห็นดาราแต่งตัวสวยๆงามๆออกมาพ่นลำขับร้องให้ดูก็ร้องคำนัดยินดีไปมีการเต้นลำเสียเงินเสียทองไปขึ้นเต้นลำกับฝ่ายกรงกันข้ามเลืออย่างนี้แล้วมัน คนเราจะให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยราบยศไปได้อย่างไรเนาะกหาเงินทองได้นิดหน่อยก็เอาไปบูชาราคะปัญหาอนาันตเสียแล้วมันจะได้เงินที่ไหนไปฝากธนาคารไว้ถ้าเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเจ้าชู้ จะไปทได้ตาหวานไปแต่เพศกงกันข้ามอย่างนั้นแหละอันนี้ควรคิดควรพากันพิจารณาให้ดีอนเรื่องความรักความใครน่นี่ทุกคนได้ผ่านาปรรงหลายชาติหลายครบที่ร่วงแล้วมาได้เป็นท่าแห่งความรักความใคร่นี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้ว มันบังคับให้ทำนาทำสวนหลังสู้ฟ้านาสู้ดินบังคับให้ขุดดินฟันไม้แบกหา ม, มกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับใจนอนอันนี้มันมนรวนตั้งแต่มันเกิดจากราคะทันหายทั้งนั่นบุคคลที่จะได้กลารทำลำบากไม่ได้หยุดได้หย่อนนี่นะ ลอ ง, งทบทวนดูให้ดีตรงสุดนี่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่คนผู้ไม่ผู้มีระดับจิตเหมือนเหมือนกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องลําบากไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเพราะมันอยู่ในระดับเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นทุกข์เหมือนกันก็เลยไม่มีใครว่าอะไรกัน เม่อทีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผู้ละความรักความใคร่ได้แล้วท่านจึงยินดูสงสารผู้ที่ยังติดอยู่ในความรักความใคร่เห็นว่าเป็นเป็นทุกข์ายอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้านะเป็นตัวอย่างพระองค์ยิ่งเป็นพระหมหาษัิย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศทั่วโลกพระองค์จะแสวงหาความสุขอย่างไรในการมกุณนันได้ทั้งนั้นเลยไม่ต้องกำผนทนแดดอะไรก็ได้สนุกสนานเต็มที่แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย การจะมาทำความยินดีพอใจอยู่ในการครองเรือนอย่างนี้ด้วยอินทรีย์บารมีของโอ๋มันแก่กล้าเต็มที่แล้วดังนั้นจึงไม่ยินดีในราชสมบัติอันนั้นเลยถึงเทวดาจะบอกว่ายังอีกเจ็ดวันนะจักรพตดิราชจะเกิดมีแก่ท่านขุมทองเจ็ดหลุมจะเกิดขึ้นแก่ท่าน อย่างนี้พระองค์ก็ไม่รับประทานไม่ฟังคําเทวดาขอให้ท่านร้อยสักเคสวันน่ะท่านจะได้เป็นเจ้าจากาักรพรรดิราชแล้วพระองค์ก็ ต, ตอบเทวดาว่าอาจะมาไม่เอาแล้วจกักรพรรดิราชเขาไม่เอานี่จะออกบวชลูกเดียวสเวสเวยเสวยหาทางตัดสูสัมมาสมโพธิญาณจุดมุ่งหมายของ เรานะมีอย่างนั้นเทวดาก็พ่ายแพ้ตอบพระบารมีของพระองค์คือเทวดาที่เป็นมารก็มีท่านกล่าวไว้ว่าทัานปร ะ, ระมระิมิตะวะ่ตะวัสดิ์สว่วดีชั้นที่ห้านั่นแหละคือท่านมาร เ, เป็นเท ว, ด, เทวดาแต่เป็นมาร แต่หัวใจเป็นมารแปกแท้อย่างว่าเป็นเทวดานีกว่าจะเป็นผู้มีคุณธธรรมอันตูงพอฉะนันจึงพอจึงพอพิจรารณาเห็นได้ว่าไอคนบางคนในโลกนี้นะชอบอิจฉาผู้อื่นบ้างแต่แล้วก็ชอบทําบุญนี่ยอย่างนี้นะี่ยถ้าใคร ถ้าตนทำบุญทำอะไรไปในี่ใครมาล่ำหน้าไม่ได้เลยอไม่พอใจแล้วหาทางกีดกันเพื่อนเห็นเพื่อนทำบุญทำกุศลเห็นเพื่อนร่ำรวยก็หาทางกีดกันแต่ก็ไม่ถึงกับได้ฆ่าได้แกงกันแตก่ก็กีดกันกันไปไม่ให้ไม่กล้าให้ได้รับความสะดวกสบายนี่บางคนเป็นอย่างนั้นก็มี แต่ใจบุญทำบุญทำทานไม่มีอันเพราะฉะนั้นตายแล้วจะไม่เกิดเป็นเทวดานะแมเป็นเทวดาแต่มันเป็นเทวดาที่มีใจชอบอิจฉาเลิยาเห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าตนน่ะทนอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างได้ทราบว่าพระโคติสัตะศิต ธ, ธะตัชักกุ ม, มาร สเสด็จออกบวชหวังจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของมานก็ชวนกันลงมาพวกเรามาไปผูกพธธระติสตาจัสกุมารไว้อย่าให้หนีไปได้อย่าให้หนีจากเงื้อมมือของพวกเราไปได้ตอนที่พระ อ, องค์เจ้ประทับนั่งสมาธิอยู่บนบันลังใต้ตนพระศรีมหาโพธิ์ครั้งนั้น ในปฐมพยายามแห่งราตรียปรยา ม, มาและเสนามันก็ยกพวกเข้ามาหับไล่พระองค์ให้ลงสเสด็จหนีจากแท่นบันลังอันแล้วโดวยแก้วเจ็ดประการซึ่งสำเร็จขึ้นมาด้วยบุญญาบา ร, รมีพิษฐานของพระองค์พระองค์ได้อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกาติ หากพระเจ้าจะได้ตรรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในครั้งนี้จริงๆขอให้ญาค้าแปดกำมือนี้จงเกิดเป็นแท่นบันลังสูงแปดตอกแล้วแล้ว้วยแก้วเจ็ดประการเมื่อพระองค์อธิษฐานอย่างนั้นแล้ว ก็วางยาคาแปดกำ ม, มือลงทางทิศ ต, ตะวันออกทันใดนั้นก็เกิดเป็นแท่นบันลังขึ้นสูงแปดศอกจริงออพเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์สูงแต่สิบสองศอกฉะนั้นไม่มีปัญหาที่จะขึ้นไปนั่งบนบันลังสูงแปดสอกกันเองนั้ น, น, น แล้วพระ อ, องค์เจ้าก็เสด็จขึ้นนั่งแท่บนบนบัลลังก์นั้นก็จึงมั่นในพระทัยว่าพระ อ, องค์จะได้ตัดรู้สัมมาสัมพทธิยานจริงๆเพราะอธิษฐานอย่างไรเป็นอย่างนั้นนี่ก็ทําให้พระ อ, องค์มั่นในพระทัยอย่างยิ่ง <c oughs> พระ อ, องค์ก็ต่อต่อสู้กับมารและเสนามามเหล่านั้นจนมารนั้นพ่ายแพ้ต่อพระบรมีของพระ อ, องค์ เราคิดดูอย่างนี้แหละถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีกิเลสอย่างนั้นมารเช่นว่านี้ก็จะไม่เกิดมีแก่พระองค์เลย mm hmm. ก็เพราะกิเลสของพระองค์ก็ยังมีอยู่องนั้นเนี่ยแต่ว่าพระองค์เห็นเบื่อมันเห็นโทษมันอยากกาจัดมันให้มันหมดไป mm hmm. ทีนี้พวกมารไม่ต้องการให้พระองค์หลุดพ้นจาก บ่วงแห่งมารคือกิเลสเหล่านั้นจึงได้ลงมาลุกร้านพระองค์น่ะเนี่ยขับไล่พระองค์แต่สู้บา ร, รมีของพระองค์ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปพระองค์ก็ได้ความสงบสงัดใ จ, จเจริญสมรชาอิปัสสนาไปยวนสว่างก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสิ้นอาสวักิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวง นี่แหละไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าวันนี้คนธรรมดาสามัญก็มีกิเลสเหมือนกันมีกิเลสที่เราจะต้องละมันถ้าเราไม่เพียรพยายามละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้เราอย่างนี้ไปทุกข์ชาติทุกภพไปถ้าประมาทมากก็ไปสะสมกิเลสอันเป็นฝ่ายอาคูศนขึ้น เทนียิ่งร้ายแรยงมากเมื่อเมื่อสิเดตปลายอากุศลเกิดขึ้นแล้วมันก็โดนบันดาลให้บุคคลนั้นไปทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในข้ามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรยัยกัญชายสาินเฮโรอีนหรือว่าถูกบุรีจัดเข้าไว้บุรีก็เป็นของเจ็บติดให้โทษ ขนาดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทำให้คนฉีดหายเงินทองเพราะบุหรี่นี่ก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าสูบมากๆเข้าไปแล้วมันติดวันหนึ่งสองหนึ่งไม่พอต้องเพิ่มเป็นสองสองก็มีบางรายประมานั้นเนี่ยแล้วเงินแต่ละวันจ่ายไม่ใช่จะฝ่ายเจอจากค่าบุหรี่มาสูบเท่านั้ น, นี้ จ่ายค่าอาหารจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยจ่ายค่าอะไรต่ออะไรกิ ป, ปาตนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะจะไม่ให้มันลงจนยังไงแล้วแม้แต่คนเป็นเศรษฐีแท้แท้นะในข้างพุทธเจ้านะติดเล่าองมเ ง, งนีนเข้าไปแล้วเงินตั้ง 8ปดสิบโกรหมดเลยเพราะมันติดเหล้าพอแล้วมันไม่ไปทำงานอะไระมีแต่ดื่มเหล้าเป็นแต่แตละวันแต่ละวันมาทีนี้ก็คนที่ไม่มีสตางค์ก็เป็นบริวารของเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยงเอาวันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพักพวกขอทองแดงกันหลายขึ้นเรื่อย เงินก็หมดไปหมดไปอ่ ะ, อะพอไม่ได้หามาเพิ่มเติมใหม่อีกมันจะหาอะไรในคนเมาไม่มีปัญญาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เงินในท่อมาท้งหมดก็ขายที่นาที่สวนขายที่นาที่สวนหมดแล้ว เงินนึ่งก็หมดซื้อเหล้ากินเอาขายที่บ้านขายที่บ้านหมดแล้วยังเจ็บประสาทหลังเดี๋ยวเจ็ดชั้นขายประสาทนั้นซื้อเหล้ากินก็หมดอืพอเงินหมดแล้ววันนี้ก็ได้กลาเที่ยวขอทานเขากินสองขัวเมีย <c oughs> แต่ว่าท่านําราทำไมกล่าวไว้ว่าลูกนั้นมีมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ เดรยเทวขออาหารเศษอาหารจากพระในวัดกินพระศาสดาเห็นเขาไล้จึงทรงแสดงให้พุทธบริษัทฟังว่าไอ้สองผู้เมียเนี่ยถ้าเขาไม่ประมาทนะเขาไม่ส่้งเสพของเสพสี่ให้โทษเหล่านั้นเขาตั้งอกตั้งใจทำมาฆ่าขายเข้าไปเขาเจะ ได้เป็นเศรษฐีชั้นที่หนึ่งเลยในเมืองนี้แล้วถ้าเขาได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะสำเร็จโสดาบันถ้าเขาปฏิบัติไปไม่ท้อถอยเขาก็จะได้บรรลุถึงอร่ากามีองั้น เขาตัดขนทางเขาเขาเสียทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ไม่ได้เป็นอันว่าตัดความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเสียหมดลองคิดดู การส่องเสบของเสษสีในโทษนี่นะเป็นเศรษฐีมีเงินหนึ่งแปดสิบโกดก็ยังหมดเป็นนะจะว่าอะไรแต่คนมีเงินสมัยปัจจุบันเนี่ยเพียงพันเพียงหมื่นหรือเพียงแสนเท่านี้หนึ่งนี่นะในช้จ่ายมันกี่วันถ้าเศพของเสพสิเรืองว่าเข้าไปมันก็หมดแั้ว น, นะ นั่นแหละบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกขนอบรมจิตใจของทนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีแต่จะนำตนไปสู่ความิบาายควมทุกข์นี่ศาสนาของพระพุทธเจ้านะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสรรเสริญว่าประเสริฐเลิศลำ้ำเป็นทางค้นทุกข์ได้จริงคนทุกข์ จากการไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ริษฐานอันนี้ก็ท่านก็เรียกว่าพ้นทุกข์เบื้องต้นเอาไว้ทุกข์อันนี้แหละที่สัตว์โลกทั้งหลายพ้นได้ยากแม่พ้นมาแล้วก็กลับไปอีกเพราะความไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละหรือพูดตรงตรงก็เรียกว่าไม่รู้แจ้งในเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ไม่รู้ตามไม่เห็นตามเช่นนั้นแล่ละมันถึงละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ไม่ประมาทแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็มาเพ่งดูใจตัวเองเห็นว่าใจตัวเองนี่ก็ยังสะสมกิเลสไว้อยู่แต่ว่ากิเลสส่วนยุย่มยาบตนก็ได้ละมันมาให้พอวางมาก็รู้หรือว่าบางส่วนก็ละมาบางบางอย่างก็ยังไม่ได้ละก็รู้ไอ้ความรู้อันนี้สําคัญอ่ะเมื่อรู้ว่ากิเลส ยังงาบอย่างไรที่ตนยังไม่ได้ละมันก็เพียนละมันเลยรแบนี้เป็นความโลภตนละมันมาแล้วยังวามโกรธอย่างนี้นะเอาก็เพียนละวามโกรธไปด้วยการเจริญวิตรตากรุณาให้มังมากเข้าไปด้วยการเพ่งพิณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็ไม่ควรจะไปโกรธ เพราะรูปร่างกายนี่ที่ดวงจิตของตนอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของตนไม่ร่างกายผู้อื่นแต่ดวงจิตของเขาอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาอีกก็เป็นแต่สภาวธรตมคุมกันอยู่เท่านั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทาลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปโกรธให้ใครล่ะะจะมีคนให้โกรธเลยไม่มี เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ถอนความโกรธออกจากคิดใจได้เนี่ยคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างอย่างนี้แหละเรื่องมันนะความหลงก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีแก้ความหลงต้องให้มันศึกษาเราเรียนธรรมวินยัยคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ ให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานพระองค์เจ้าได้ทรงแสดงประโยชน์ทุกอย่างน้ไว้ในพุทธศาสนานี่เต็มที่แล้วมีแต่พุทธบริษัทพอไปศึกษาสดัตส์ฝังบอกศึกษาเราเรียนดูตลอดตำราเข้าไป เท่านั้นแล้วก็จะรู้ได้อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็รู้อย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันไม่รู้กันเลืองมันนะไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษนำโทษนำทุกมาสู่ตนก็ไม่รู้อย่างนี้ เราก็ทำไปด้วยความหลงความเมาไปอย่างนั้นเลยเอ็นอย่างที่คนดื่มสุ ร, รายามเมาหมนี้นะมันไม่รู้เลยว่ามันจะนำทุกข์นำโทษมาแก่ตนในภายหลังไม่สนใจเลยสนใจแต่ได้ดื่มได้สนุกสน า, นานพอแล้วฉะนั้นความรู้เนี่ยจึงซิว่าสำคัญมากนะให้ใส่ใจกันให้มากๆ อย่านิ่งนอนใจสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ก็คิดก็ค้นหาให้มันรู้มันเข้าใจอย่างธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังมุลีนะเอเอเรายังไม่รู้นะั้นเรื่องมุลีมูลีมั น, ม น, มนก็จําไว้ดีๆเอาไปคิดไปค้นไปพิจารณาให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้นะ เมื่อมันรู้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจมันก็รู้แนวทางปฏิบัติเออเราจะต้องเดินตามแนวนี้อย่างนี้จะต้องทําใจอย่างนี้เมื่อมันรู้ถูกทางแล้วมันก็ทําใจถูกต้องได้เมื่อทําใจไวถูกต้องมันก็ได้รับความสงบสุขตามความประสงค์มันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจว่าตนนั้นพอวันนี้เอาแล้วอยู่แล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเมื่อตอนยังมีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่หมดเนี่ยมันต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปทะเย ว, ว่าเสขาบุคคลแปลว่าบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่ ใดแก่บุคคลที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดนั่นแหละจะมเนต้องศึกษาต้องพิจารณาแก้ไขตัวเองเรื่อยไปมันติดตรงไหนมันคล้องตรงไหนล้วก็พิจารณาสอนใจตัวเองให้ละไอวางไม่ไปเกาะไปคล้องในเรื่องอะไรสิ่งอะไรอย่างนี้นะ รู้จักสอนใจตัวเองไปเรื่อยๆไอคนเราเนี่ยที่มันติดมันค้องอยู่ก็เพราะสอนใจตัวเองไม่เป็นไม่มีอุบายสอนใจของตนเดิมเหมือนน่ะอัง mm. นั้นทุกคนต้องมีอุบายต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้ได้ อุบายนี่เราต้องคิดเอาเองสุดแล้วแต่คนผู้ใดมีปัญญามากก็มีอุบายมากผู้ใดมีปัญญาน้อยก็มีอุบายน้อยมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปบอกกันทุกอย่างไม่ได้เรื่องอุบายนะอันนั้นต้องต่างคนต้องคิดต้องวิจารเอาเองข้ออุปมาอุปมาทางต่างใ น, ในพุทธศาสนานี่ พระพื่เจ้าสแสดงไว้มากม า, ายกายกองนะและ้วเขาเพื่อคนผู้หนาทึบไปด้วยกิเลสตัณหานนั่นเนี่ยไอคนที่ผู้มีกิเลสน้อยบาวางแล้วนั่นไม่จำเป็นที่พระองค์จะต้องอุปมาประมาอะไรให้ฟังมันก็รู้ได้มันก็พิจารณาได้เห็นตามได้ยมันต่างกันนะ คนที่อินทรีย์ยังอ่อนกิเลสยังหนาอยู่นี่พระองค์เทศได้ฟังแต่เพียงหวข้อธรรมเท่านี้ไม่เข้าใจความหมายเลยจะไปต้องอธิบายให้พิศารณ์กงฟ้องออกไปยกอุปมาอุปมาให้ฟังหรือมีเสีงกับยกนิทมนิทานคนผูใ้ใดผู้หนึ่งแต่ครั้งอดีตการมานนั้นเขาได้ทา ความชั่วอย่างนั้นมาเมื่อตายแล้วไปต่งนรกคนจากนรกมาเข้ามาเกิดในชาตินี้เขาเป็นคนอย่างนั้ น, เ ป, นเป็นคนทุพพละบาปไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังปัญญาไม่มีกําลังกายอะไรจะทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้นะอพระองค์แสดงถึงลักษณะของคนผู้ทําบาป แล้วจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นให้ที่ประชุมทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้มีความกลัวต่อบาปกรรมความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เนี่ยพระ อ, องค์เจ้าก็จึงได้ยกอดินิทานมาวันนี้คนทำดีพระ อ, องค์ก็ยกเรื่องราวของคนดีบางคนมาเป็นอุทาหรณ์ คนผู้นี้ทั้งเจ้าของเขาได้ทําบุญทาทานอย่างนั้นได้ประพฤติสุจริตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายแล้วเขาไปเกิดสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดในโลกนี้ในศาสนาของพระองค์แล้วเขาได้ฟังธรรมก็ได้ออกบวชก็มีบางคนบวชได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษผู้ไม่ได้ออกบวชก็ครองเรือนไปปฏิบัติไป ก็สามารถบรรลุมรรคผลในชั้นต้นได้เพราะองค์เจ้ายกเรื่องราวของคนแต่ก่อนมาก็เพื่อจูงใจของคนผู้ที่ศรัทธายังอ่อนกิเลสยังหนาอยู่นั่นเนี่ยให้มีความกล้าหาญขึ้นอยากจะมีความสุขความเจริญอยากผู้ที่เขาเจริญมาแล้วนั้น เขาเจริญได้ด้วยบุญด้วยวาสนาด้วยาการกระทาความดีด้วยการละความชั่วเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้แล้วก็เออเราก็จะละความชั่วแล้ววันนี้จะตั้งหน้าทำด้วยความดีชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งรุ่งเรือ ง, งยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างคนเหล่านั้นแหละพระองค์เจ้านำยกตัวอย่างคนดีมาสู่ที่ประชมุมทั้งหลายได้ฟังอย่นั้น ผู้มีอุปนิสัยมันก็เอาอย่างในวันนี้นะปัญญายาลักความชั่วไม่รู้อำนาจเกตันหาความอยากมันที่อยากให้พาไปทำความชั่วไม่ไปตามมันอยากไปในทางดีเอาทำด้วยความดีเข้าไปอย่างนี้นะก็ชีวิตของคนนั้มันก็ค่อยเจริญขึ้นอเน่ยเพราะว่า คนเราจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะการกระทำของเราแต่ละคนเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดมาโดนบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญตั้งๆนี้ไม่มีพระศาสด า, า, าไม่ได้สอนไว้คนจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมามดนีก่ก็เพราะเขาทำงาน เขาทำงานาถูกกับกาลเทศะอย่างนี้แหละแล้วประกอบกับบุญกุศลโน้ตหลังมาหนุนส่งด้วยในปัจจุบนันนี้ทำงานก็เหมาะเจาะด้วยดี่เรียกว่า ถ, ถึงจังหวะเช่โยกพวกค้าอย่างนี้นะทำการค้าขายพอดีกําลังสินค้ามีราคาสูงมันก็รีบขายตักตวงเอากำไร ถ้าอยางงามๆก็ได้เงินเป็นก้อนเป็นหน่วยขึ้นมาอย่างนี้แหละคนมีบุญกับคนมีปัญญาเนะ่ยมันมาด้วยกันถ้ามีบุญก็มีปัญญาอย่างว่าถ้าไม่มีปัญไม่มีบุญก็ไม่มีปัญญาแนหะคนเราเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อไม่มีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ผู <c oughs> ู้เป็นนักกวัว จะประพฤติพรมจรรย์ให้มั่นคงสื่อไปได้เพราะ่มีปัญญาดูจักสอนใจของตนให้เห็นทุกข์เห็นภัยในการครองเรือนหเห็นทุกข์เห็นโทษแห่งการกระทำบาปก ร, รมตายแลวจะไปตกนรกหาใบายภูมิทนทุกข์ทรมานนี่เมื่อมีปัญญาอย่างนี้สอนใจตัวเองอยู่ มันก็ไม่ปรารถนาจะสึกขาลาเพศไปครองเลือนเพราะว่ากลัวกลัวตนจะไปได้ไปทำบาปกามตายแล้วจะไปตกนรกทนทุกข์อยู่ตนนานแสนนานนี่ผู้มีปัญญาต้องเชื่อพระปัญญาตัดสรูของพระเจ้านะพระองค์ว่านารกมีเราก็ต้องเห็นว่ามีตามพระ อ, องค์เลยถึงเราจะมองไม่เห็นด้วยตาหนัง หรือตาในก็ตามแต่เราต้องเชื่อเพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พ, ะพทะเจ้าจัดตั้สวรรค์มีจริงอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อถึงเรายังจะไม่เห็นยังไม่ได้ไปบรรลุถึงเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเราจะไปไปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงอย่างนี้มันก็เป็นบาปเพราะว่าพระองค์ ร, รู้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งแล้ว จึงได้นำมาแสดงไม่ใช่ว่าพราะองค์เดาเอาหรือคาดกระเดยเอาไม่ใช่อย่างนั้นนี้ดังนั้นถ้าผู้ใดมาสิจา ย, ปายานปฏิยาณตนถึงก็องค์เป็นดิพึ่งแล้วไปปฏิเสธคำสอนของพระองค์อย่างนั้นก็เป็นบาปนะอือง่เข้าใจอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงว่านักปราชญ์ท่นหลายทั้งหลายจึงกล่าวว่าถ้าให้พิสูจน์ได้เลยว่าคาสอนของพระองค์นี่พิสูจน์แล้วว่าเหตุผลไม่เพียงพออย่างนี้นะลองลองพิสูจน์ดูมันเหตุผลไม่เพียงพอจริงเหรออย่างนี้แต่ถ้ามูผู้มีปัญญาได้พิสูจน์แล้วยอมยอมรับเลยว่าคําสอนพระองค์งทุกบาททุกคาถา มีเหตุผลเพียงพอทั้งนั้นเลยทั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลและทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและทั้งฝ่ายที่เป็นโลกตะระธรมรมล้วนแต่มีเหตุผลเพียงพอทั้งนั้นเลยก็เหตุผลอย่างไรนะก็เหตุผลอย่างเช่นว่าพระโสดาบันอย่างนี้นะ ท่านละสังโยชน์สามได้ขาดอแต่ว่ากิเลสบางอย่างก็ยังอยู่ท่านยังละไม่หมดแต่สังโยชน์สามประการ น, นี้ท่านละได้จริงๆเช่นสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาท่านลงท่านวางได้เลยเพราะว่าพี่นายเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่ มันจะมีตัวมีตนอยู่ที่ไหนเมื่อหมดปัจสนาบารมีลงไปแลจิตก็ละออกจากร่างอันนี้ไปหาที่เกิดตามยถากรรมร่างกายนี่เขาก็เอาขึ้นเชิญตะกรเผาเป็นเท่าเวนทานเหลือใกอนกระดูกเป็นสักิพยานอยู่เท่านั้นเองได้จิตสงสัยอะไรว่าร่างกายนี่จะเป็นตัวเป็นตนนะ่ะ พระโสราบันท่านรู้เห็นอย่างนี้ชัดเจนเลยความรู้อันนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีเสื่อมเลยนนเห็นอยู่ยนั้นเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่นั้นแต่ว่าหากอาศัยมันทําคุณงามความดีทะ ภ, ภารกิจให้เป็ดสําเร็จเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปไม่ใช่ว่า พอเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเลยจะปล่อยปละละเลยไม่รักษาดูแลอะไรมันปล่อยให้มันแตกทำลายไปเสียอยนี่อันนั้นก็เห็นผิดอีกแล้วแต่พกเห็นถูกแล้ ว, ลวก็เราก็อาศัยร่างกายอันนี้แหละบมเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้า เข้าขั้นแล้วก็บรรลุทกิตาคามีไปหรือบางทีก็บรรลุถึงอาต ค, คามีไปอย่างนี้นะอก็ได้อาศัยร่างอันนี้แหละร่างกายอันไม่ใช่ตัวตนนี่แหละก็ทำบำเพ็ญกุศลเพราะว่าท่านไม่ต้องได้ละบาปแล้ววะนี่พระอาริยบุคคลท่านละมาแล้วมีตะก้มหน้าบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไป เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ท่านบําเพญ็ญมันมันถึงแก่กล้าได้มากได้เร็วนั่นเนอืงจึงว่าบางท่านบางองค์ก็เวลาชวนจะ อ, อหมดอายุสังขารก็ได้บรรลุอรหัตอรหันต์ก็มีแต่ทีแรกได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันอย่างนี้นะเมื่อบําเพ็ญไปบําเพ็ญไปอินทรียปรามีมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ สามารถได้บรรลุอรหัตผลได้เวลาจวนจะชิ้นชี้ทําลายขัน เ, เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัทจึงไม่ควรลังเลสงสัยว่าภาษาพระโสดาบันท่านละความเห็นว่าขัานห้าเป็นเราเป็นเขาเ ป, เ, ปเป็นตัวเป็นตนเสียได้แล้วท่านก็ไม่สงสัยเรื่องบาปอุญคุณโทษ ประโยชน์แล้วไปเรียกไม่ใช่ประโยชน์และนรกสวรรค์ตลอดถึงพระนิพพานพระโสดาบันนั้นถ้าไม่สงสัยแล้วเพราะท่านมองเห็นทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานอยู่แล้วนี่อริยมรรตัน ท, ที่บอกทางนั่นแหละดังนั้นท่านจึงไม่สงสัยลังเลยอะไรแล้วก็ ไม่ลูกคำในสีละวัดข้อปฏิบัติตั้งาๆเมื่อการรักษาศีลเป็นทางกําจัดบาปประทำออกจากกายวาจาใจอย่างนี้ก็ตั้งใจรักษาศีลในบริสุทธิ์เลยไปอย่างนี้นะใครจะว่ารักษาศีลเมื่อมีประโยชน์อะไรอย่างนี้พระโสดาบันหาได้วันไหวไหนนี้การดับบุญดับทานเนี่ยพระโสดาบันยิ่งมีสตางค์แรงกล้า ยิ่งทำบุญให้ทานมากเพราะว่าเมื่อเมื่ออินทรีย์แล้วก็บุญบา ร, รมียังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ยังลากกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยสิ้นเชิงไม่ได้ก็จำเป็นต้องสั่งสมบุญบา ร, รมีไปพระโสดาบันท่านอมองเห็นอย่างนี้จึงทำบุญให้ทานไปรักษาสินให้บริสุทธิ์ไปนละเจริญภาวนา ทำใจให้สงบเจริญวิปัสนาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลื่อยไปที่นี่อินทรีสัตทินทรีปัญญทรีอะไรมันก็เ ก, กล้าขึ้นโดยลำดับถ้ามันเข้าขั้นบริบูรณ์แล้วในขั้นไหนมันก็บรรลุว่าผลในขั้นนั้นเพิ่มขึ้นอีก อดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจสรุปความแล้วเรียกว่ากิเลสนี่แหละพาให้เราสร้างบุญบา ร, รมีพาให้เราเพียรนละความชั่วทำความดีพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงกิเลสตัณหาต่างๆมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเราฟังแล้วเรามาพิจารณาตาม มันก็แยกออกเป็นสองส่วนอย่างที่ว่านั้นกิเลสอันนำให้เกิดกระทาบาปกรรมอันชั่วลายตั้งแต่อย่างเบาจนถึงอย่างหนักที่สุดคืออเวจีมหโรกมหารกเป็นที่ไปนั่นแหละพระองค์เจ้าทรงสอนว่าบาปพระธรมรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละได้ทละไม่ได้พระองค์ก็ไม่สั่งสอน นี่เรามาเชื่ออย่างนี้สิจึงได้ภาคเพียรพยายามละมันนะเอา้าเราละมันเราเบื่อมันแล้วมันจะมาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้ยังไงอ่ะนี่ที่มันมาเป็นใหญ่ในหัวใจได้เพราะเราสร้างมันขึ้นมาเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มาเป็นใหญ่ในหัวใจเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่เองนะอะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราตัดทอนมันลงไปเรื่อยๆ เ, เราไม่สร้างมันขึ้นมามีแต่ตัดทอนให้มันบอบางลงไปมันก็อ่อนกําลังไปเรื่อยๆมันก็ไม่มารบควรเราอย่างรุนแรงอืมันยังส่วนใดที่มันยังเหลืออยู่มันมีกําลังอ่อนมันก็มารบควรอ่อนๆเท่านั้นอเราก็ทําความเพียรภาวนาพิจารณากรรมฐานของเก่าเนะี่ย แต่พิจารณามบ่อยก็มันรู้แจ้งเห็นจริงมันรู้ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มันพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งถึงจะเป็นกรรมฐานอันที่เคยพิจารณามาก็ตามมันเห็นพอมัวๆเนี่ยมันไม่รู้ยิ่งยังไะเมื่อเราไม่หมันเพ่งพิจารณานะถ้าเราหมันเพ่งเข้าไปภายในนี่ ไปเห็นร่างกายอันนี้ตามสภาพความจริงของมันอยู่อย่างนี้นะมันก็เบื่อหน่ายอยู่ น, นั่นเอมันก็คลายความยินดีพอใจไปเรื่อยๆอพราะเห็นว่ามันมันไม่น่ารักน่ายินดีอะไรนี่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกภายในอะ่ะมีหนังหุ้มอยู่ตานนั้นพอดูกันได้แต่หลอกหนังออกแล้วดูก็ไม่ได้เลยนี่มันเพ่งพี่นาะอยู่นี่ มันก็ค่อยละสักกายทิทีิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนตนในไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันจะหมดดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้